รท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมตาม เจตนาที่อาจจะไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะมาเพราะวันนี้เป็นวันเกิดบางท่านมาเพราะว่าเป็นวันตายของผู้ที่มีความเคารพนับถือและปรารถนาที่จะทำบุญพุทศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้ที่เลื่องลับไปแล้วบางท่านก็มา เป็นปกติวิสัยคือถือเป็นกิจวัตรเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติเพราะเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ชีวิตนั่นเองไม่ว่าจะมาด้วยก ร, รณีใดก็ตาม ถ้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่มีจิตที่ปรารถนาที่จะมารับสิ่งตอบแทนกลับไปก็จะได้บุญได้อนิสงฆ์มากถ้ามาแล้วมีจิตที่มีความต้องการอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับไปก็จะไม่ได้บุญเท่าที่ควรเพราะความปรารถนาความอยากได้นั้นเป็นกิเลสไม่ได้เป็นธรรม ธรรมนี้ต้องเป็นการมีความปรารถนาที่จะให้ลูกเดียวให้โดยถ่ายเดียวไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนเพราะมีพอแล้วนั่นเองเช่นเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็เอามาถวายวัดมาซื้อข้าวของถวายให้กับพระภิกษุสามนเณรแต่ไม่ต้องการอะไรเป็น เป็นการตอบแทนอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้ามีความต้องการสิ่งตอบแทนก็จะไม่เป็นบุญเป็นกุศลจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนไปเป็นการยื่นหมูยื่นแมวกันฉันให้เธออย่างนี้เธอก็ให้อย่างนี้กับฉันอย่างนี้ก็จะไม่เป็นบุญเป็นกุศลกิเลสที่มีอยู่ในใจ ก็จะไม่ได้รับการชำระเพราะยังมีกิเลสความโลภความอยากความต้องการอยู่ดังนั้นถ้าเราปรารถนาบุญกุศลอย่างแท้จริงเราก็ต้องทำด้วยจิตใจที่สะอาด บ, บริสุทธิ์ไม่ปรารถนาอะไรเป็นเป็นผลตอบแทนเลยแม้กระทั่ง การขอบอกขอบใจหรือการอนุโมทนาบุญก็ตามการอ น, อนุโมทนาบุญของพระนี้ไม่ได้เป็นการขอบอกขอบใจแต่เป็นการแสดงธรรม้็เรียกว่าอนุโมทนากถาแสดงความชื่นชมยินดีต่อการทำบุญแสดงอนิสงส์ของการทำบุญเป็นการให้กําลังใจแต่ไม่ได้เป็นการ ให้อะไรกับผู้รับเลยผู้รับผู้ถวายผู้ถวายเลยผู้ถวายถวายของแล้วถึงแม้พระจะไม่ให้พรก็ไม่ได้ขาดแขงไม่ได้ขาดบุญไม่ได้น้อยลงไปเพราะบุญที่พระให้นีไไน้ไม่ได้เป็นบุญที่เกิดจากการให้ของเราแต่เป็นบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม เพราะคำอนุโมทนาบุญของพระก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่สงสอนว่าเมื่อเราได้ทำบุญแล้วเราก็จะมีผลตามมาในจิตใจของเราก็จะมีความสุขมีความทุกข์น้อยลงไปเพราะมีความโลภความอยากความต้องการน้อยลงไปและเมื่อเราตายไป ไปเกิดชาติหน้าเราก็จะได้พบชาติที่ดีกว่าเดิมหมายความว่าจะมีฐานะดีขึ้นจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามขึ้นมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองรอเราอยู่อา น, นิสงส์เหล่านี้เรารับได้เต็มเ็มโดยไม่สำคัญว่าจะมีพระสวดอนุโมทนาให้พรกับเราหรือไม่ แต่การสวดอนุโมทนาให้พรนี้ก็เป็นการสอนว่าบุญที่เราทำนี้เราสามารถนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเราสามารถอุทิศบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ดังนั้นจึงเกิดมีธรรมเนียมเวลาพระอนุโมทนาให้พรก็จะมีการกรวดน้ำซึ่งการกรวดน้ำในความจริงไม่สำคัญไม่จำเป็น คือไม่มีน้ำก็กรวดได้คืออุทิศบุญได้น้ำนี่เป็นเพียงตัวแทนของบุญที่มีอยู่ในใจของเราเท่านั้นเปรียบเหมือนบุญนี้เปรียบเหมือนกับน้ำสะอาดที่เราเทลงไปแล้วเราก็ระลึกถึงบุคคลที่ล่วงรับไปแล้วถ้าเขาอยู่ในฐานะที่พึงจะรับบุญส่วนนี้ได้ก็ขอให้เขามารับไป เพราะถ้าเราไม่อุทิศเราไม่เราไม่แจ้งให้เขาทราบว่าบุญนี้เป็นของเขาเขาก็ไม่สามารถรับไปได้เหมือนกับของเหล่านี้ที่ญาติโยมนำมาถวายพระถ้าญาติโยมไม่นำมาประเคนให้กับพระพระก็ไม่สามารถนำออกไปใช้ได้เพราะไม่ใช่ยังไม่ได้รับการถวายนั่นเองบุญอุทิศก็เช่นเดียวกันเราต้องําลึก ในจิตของเราถึงบุคคลที่เราปรารถนาที่จะให้เขาได้รับบุญอุทิศส่วนนี้ไปถ้าเขาอยู่ในฐานะหรือถ้ายังเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตอยู่เขาก็จะมารับส่วนนี้ได้ถ้าเขาตกนรกหรือไปเป็นสัตว์ใดราชฉานเขาก็จะไม่สามารถรับบุญส่วนนี้ได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์ หรือเป็นเทพเป็นอริยบุคคลไปแล้วเขาก็ไม่มีความจำเป็นกับบุญอุทิศเพราะบุญอุทิตกับเบียบกับบุญที่เขามีอยู่นั้นต่างกันมากบุญอุทิตนี้เป็นเหมือนกับเศษเงินเศษทองที่เราให้ขอทานแต่บุญที่เขาได้จากการไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพนี้เป็นเหมือนเงินของเศรษฐี ดังนั้นดังนั้นบุญที่อุทิศให้กับเขาจึงไม่มีความสำคัญอะไรแต่ถ้าเขาทราบเขาก็จะอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีในปรารถนาดีของเราดังนั้นเวลาที่เราทำบุญอุทิศเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเกี่ยวกับผู้รับเหมือนเราส่งของไปทางปรายเสนีเราส่งไปแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลถ้าเขา รับเขาก็รับถ้าเขารับได้เขาก็รับถ้าเขารับไม่ได้มันก็กลับมาหาเราบุญทั้งหมดที่เราอุทิศไปในวันนี้ถ้าไม่มีผู้รับก็จะกลับมาหาเราแต่ความจริงมันเป็นคนละส่วนกันบุญที่เราอุทิศนี้เป็นส่วนหนึ่งบุญที่เราได้จากการให้ให้ให้ทานนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งบุญที่เราใหจากการให้ทานนี้ก็เป็นของเรา อยู่แล้วไม่ได้เป็นของของคนอื่นถ้าตราบใดของที่เราถวายนี้เป็นของของเราจริงๆเช่นเป็นเงินของเราจริงๆไม่ได้ไปยืมเงินของคนอื่นหรือไม่ได้ไปขโมยเงินของคนอื่นมาทําบุญถ้าไปขโมยเงินของคนอื่นบุญนี้ก็ไม่ใช่เป็นบุญของเราเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเงินของเรามันไม่ได้เป็นของของเรานั่นเอง บุญเวลาที่เราจะทํานี้ต้องเป็นของของเราจริงๆเป็นเงินทองของเราเป็นของของเราแล้วเรามีความปรารถนาที่จะให้กับผู้อื่น mm. ก็จะเกิดเป็นบุญขึ้นมาส่วนผู้รับนี้ก็มีมีความแตกต่างกันมีอนิสงส์แตกต่างกัน ถ้าให้กับบุคคลก็จะมีอ น, นิสงส์อย่างหนึ่งถ้าให้กับส่วนรวมก็จะมีอ น, นิสงส์อีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องในการให้ส่วนรวมคือสงคำว่าสงนี้หมายถึงพระภิกษุหลายหลายรูปที่อยู่ในวัดเช่นพระภิกษุทุกรูปที่อยู่ในวัดนี้ เรียกว่าเป็นสงฆ์พระรูปเดียวนี้เรียกสงฆ์ไม่ได้พระอย่างต่ำต้องมีสี่รูปขึ้นไปถึงจะเป็นเป็นสงฆ์ขึ้นมาวัดใดถ้ามีพระน้อยกว่าสี่รูปเวลาไปถวายสังฆทานก็จะไม่ได้เป็นสังฆทานจะเรียกว่าเป็นบุคคลิสฆทานเพราะไม่ครบองค์สงฆ์จะครบองค์สงฆ์นี้ต้องมีสี่รูปขึ้นไปและจะต้องถวายไม่ ไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใหญ่แต่ถวายให้เป็นส่วนกลางเป็นของส่วนรวมให้เอาไปแบ่งกันใช้โดยสงฆ์จะมีขั้นตอนของการแบ่งกันใช้ด้วยการทำพิธีอุปโภคดังที่ได้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้การอุปโภคนี้หมายถึงประกาศให้สงฆ์ให้พระภิกษุทุกรูปได้ทราบว่า วันนี้ได้มีทางของสงเกิดขึ้นแล้วขอให้อนุญาตขออนุญาตขอให้สงอนุญาตจำหน่ายจ่ายแจกแบ่งกันตามลำดับอวุโสพันเตคือให้พระที่มีอวุโสพัานามากที่สุดเป็นผู้ที่พิจารณาของใช้เหล่านั้นก่อนให้ท่านเลือกให้ท่านหยิบตามต้องการ แล้วก็ให้เลื่อนลงไปตามลำดับของพระตามลำดับพรรษาต่อไปจนถึงสมัมมเนรรูปสุดท้ายแล้วถ้ายังมีของเหลืออยู่จะเอาไปแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาขาวาะญาติโยมก็ทำได้ถ้าสงฆ์ไม่ขัดข้องก็ขอให้สงฆ์ตั้งอยู่ในความสงบถ้าขัดข้อง ก็ขอให้แจ้งหรือแสดงความขัดข้องออกมาถ้าไม่ขัดข้องก็ขอให้กล่าวคำสาทุนี่คือความหมายของการถวายสังฆทานและการจำหน่าย จ, จ่ายแจกของสังฆทานของที่เป็นสังฆทานนี้ถ้ารับแล้วยังไม่มีการอุปโลกคือบางครั้งอาจจะรับแทนนุษย์แทสนสงส่วนรวม แล้วยังไม่ได้ทำการ อ, อุปโลกยังไม่ได้แจ้งให้สงฆ์ได้รับทราบแล้วนำเอาไปใช้ก่อนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะก็ถือว่าผิดผิดพระวินยัยผิดผิดกฎกติกาเอาไปใช้ก็จะเป็นบาจะไม่จะไม่เจริญจะไม่เป็นบุญนั่นเอง ดังนั้นทุกครั้งที่มีการถวายสังฆทานจึงต้องมีการอุปโลกมีการทําพิธีอุปโลกแจ้งให้สงฆ์ได้ทราบว่ามีของมาแล้วเพื่อจะได้เอามาแบ่งกัน <c oughs> อา น, นิสงส์ของการถวายทานให้กับสงฆ์นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอา น, นิสงส์มากเพราะจะยังให้พระศาสนาอยู่ไปได้ถึง ห้าพันปีเพราะศาสนานี้จะอยู่ได้ต้องมีสง์เป็นผู้สืบทอดนั่นเองพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดไม่สามารถสืบทอดพระาศาสนาได้ตามลำพังจะต้องมีพระภิกษุสงช่วยกันช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติแล้วช่วยกันบรรลุแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ถ่ายทอดมาทำคำสอน ต่อไปเป็นรุ่นรุ่นดังที่ได้ทำกันมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมีการถ่ายทอดคือมีการบวชเรียนนั่นเองการจะบวชเรียนนี้ก็ต้องมีพระภิกษุอย่างน้อย5รูปถ้าอยู่ในที่กันดานถ้าอยู่ในที่ที่มีพระมากก็ต้องมี1ิบรูปถึงจะทาพิธีบวชได้ มีพระรูปเดียวนี้บวชพระไม่ได้ถ้าเหลือพระอยู่รูปเดียวก็แสดงว่าหลังจากที่พระรูปนี้ตายไปแล้วก็จะไม่มีสงฆ์เหลืออยู่เมื่อไม่มีสงฆ์เหลืออยู่ที่จะมาศึกษามาปฏิบัติมาถ่ายทอดมาสั่งสอนต่อไปพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะจางหายไปและหมดไปในที่สุด ดังนั้นการถวายทานให้กับสงฆ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำคัญยิ่งกว่าถวายให้กับพระรูปหนึ่งรูปใดถึงแม้ว่าพระรูปนั้นจะปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบมากน้อยเพียงไรก็าตามแต่ท่านจะไม่สามารถที่จะบวชพระให้กับกุลบุตรผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่จะบวชเรียนเพื่อที่จะสืบทอดพระศาสนาได้จําต้องมีพระภิกษุอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปถ้าเราถวายแต่พระรูปนั้นรูปเดียวส่วนพระรูปอื่นเราไม่ถวา ย, เร า, วายเราไม่ทํานุบํารุงเดี๋ยวท่านขาดแคลนท่านไม่พออยู่พอกินพอใช้ท่านก็อาจจะหมดกําลังใจ <c oughs> ที่จะบวชเรียนต่อไป ก็อาจจาาสิกขาลาเพศไปได้ส่วนพระที่รับของเพียงรูปเดียวนั้นหลังจากที่ท่านตายไปแล้วก็จบจะไม่มีพระรูปอื่นทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนาได้อีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าการถวายสังฆทานนี้มีอนิสงส์มากกว่าการถวายให้กับบุคคล ยกเว้นบุคคล น, นั้นเป็นพระอริยเจ้าซึ่งต้องเป็นในสมัยที่พระพุทธเจ้ามาตัสรูที่ยังไม่มีสงฆ์ยังไม่มีพระบวชกันและมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำพิธีบวชให้แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สรงมอบให้สงฆ์เป็นผู้บวชแล้วพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดถึงแม้จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหรันต ท่านก็ไม่สามารถบวชพระให้ได้ตามลําพังท่านก็ต้องมีพระอย่างน้อยอีกสี่รูปร่วมกับท่านเป็นห้ารูปถึงจะบวชได้นี่คือความแตกต่างในการถวายของให้กับบุคคลบุคคลนี้มีความรู้มีความสามารถต่างกันสงฆ์นี่มีความสําคัญมากที่สุด เพาะจะสามารถบวชบวชพระได้นั่นเองจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งและรองจากนั้นถ้าเป็นพระรูปหนึ่งรูปใดก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์ที่มีความความสามารถมากที่สุดเพราะท่านเป็นผู้บรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านจะเป็นผู้ที่มีความสามารถสั่งสอนให้ผู้หลุดพ้น จากกองทุกข์ได้ดังนั้นถ้าได้ถวายพระอาหารหันต์ก็จะได้บุญมากกว่าถวายพระรูปอื่นถวายพระอาหารหันต์จะได้บุญมากกว่าถวายพระอนาคามีถวายพระอนาคามีจะได้บุญมากกว่าพระสกิดาคามีถวายพระสกิดาคามีจะได้บุญมากกว่าพระสโดุโสดาบัน ภาวาพิพาคโสดาบันจะได้มากกว่าพระที่เป็นปุตุชนธรรมดาที่ยังไม่บรรลุธรรมเพราะปัญญาของแต่ละท่านนี้มีความแตกต่างกันเหมือนกับผู้ที่ได้จบการศึกษาในระดับต่างๆผู้ที่จบระดับการศึกษาขั้นปถมก็มีความรู้ในระดับหนึ่งผู้ที่มีความรู้จบ ระดับมัธยมก็มีความรู้ที่สูงขึ้นกว่าผู้ที่จบระดับเปรญยตรีก็มีความรู้สูงกว่าที่ผู้ที่จบระดับมัธยมผู้ที่จบปริญญาโทก็สูงกว่าปริญญาตรีผู้ที่จบปริญญาเอกก็สูงกว่าปริญญาโทเช่นเดียวกับพระภิกษุที่มีหลายระดับตั้งแต่ระดับปุถุชน ขึ้นไปจนถึงระดับพระอาหารหันต์ก็มีความแตกต่างกันในในความในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถที่จะสั่งสอนให้ผู้ที่สนใจปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้รับประโยชน์ถ้าได้ฟังจากพระอาหารหันต์ก็จะสอนถึงขั้นสูงสุดขั้นหลุดพ้นจากการเว้นว่าตาเกิด ถ้าท่านลองลงมาท่านก็จะไม่สามารถสอนได้เหมือนกับพระอาหารหันต์เพราะท่านยังรู้ไม่แจง้งรู้ไม่หมดเหมือนกับพระอาหารหันตรู้นั่นเองนี่คือความหมายถึงการให้เลือกถวายบุคคลเลือกถวายบุคคลเพื่อเราจะได้รับอนิสงส์ได้รับปัญญาจากท่านอีกต่อเนึ่งคือเมื่อเราถวายของแล้วก็ขอให้ท่านได้ แสดงธรรมให้กับเราฟังแต่ถ้าเราไม่มีความต้องการที่จะฟังธรรมถวายรูปใดก็อนิสงส์ก็เท่ากันถ้าเราถวายด้วยความสะอาดบริสุทธิ์คือไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ผรับจะถวายให้กับพระปุถุชนที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าหรือถวายให้กับพระอรหังก็มีอนิสงส์เท่ากันมีบุญเท่ากัน ถ้าเราไม่ฟังธรรมจากท่านถ้าเราไม่ต้องการฟังธรรมเพราะเราอาจจะยังมีความมืดบอดอยู่ยังไม่เห็นความสําคัญของการฟังเทศฟังธรรมคิดว่าการถวายทานเท่านี้ก็พอแล้วถ้าอย่างนี้ก็จะได้เพียงแต่อนิสงส์ของการถวายทานคือตายไปก็จะได้มีสมบัติข้าวของเงินทองรออยู่ มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสก็จะได้เพียงเท่านี้แต่ถ้าเป็นคนที่ฉลาดมีคนมีสำเนียกยินดีชอบไขวคว้าศึกษาหาความรู้ถ้าได้ยินได้ฟังจากพระท่านก็จะได้รับบุญอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาจะได้สัมมาทิฏฐิจะสูงจะต่ำ จะมากจะน้อยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ผู้ที่สอนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ผู้ที่ฟังว่ามีความสามารถมีภาชนะที่จะรองรับปัญญาได้มากน้อยเพียงไรถ้าเป็นคนที่ฉลาดก็เหมือนกับคนที่มีภาชนะที่ใหญ่ถ้าเป็นคนที่ไม่ฉลาดก็เหมือนกับคนที่มีภาชนะที่เล็กคนให้ถึงแม้จะมีของให้มาก แต่ถ้าเขามีภาชนะที่เล็กก็ใส่ได้เท่าที่ภาชนะเขารองรับได้ดฉะ น, นั้นการฟังเทศฟังธรรมจากพระอรหันต์หรือจากพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีนั้นผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์ต่างกันเช่นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีย์มีพระ อ, อยู่ห้ารูปด้วยกัน ทรงสแสดงธรรมแต่มีเพียงรูปเดียวที่บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ในขณะที่ฟังคือพระอัญญาณโกลัญญะเพราะท่านมีปัญญาที่ฉลาดกว่าพระอีกสี่รูปนั่นเองนี่คือความแตกต่างกันของผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมถึงแม้ฟังอยู่ร่วมกันในขณะเดียวกันแต่สติปัญญาที่จะสามารถเข้าใจ ถึงทำ ท, ที่แสดงได้นั้นมีความแตกต่างกันถ้ามีปัญญาที่เข้าใจได้ลึกได้กว้างกว่าก็จะบรรลุธรรมได้สูงกว่าผู้ที่มีปัญญาที่ไม่ลึกไม่กว้างเท่ากับผู้ที่บรรลุนั้นนี่คืออนิสงส์ของการให้ทานทการทำบุญให้ทานกับผู้อื่น ถ้าผู้ที่เราถวายทำบุญให้ทานด้วยนั้นเป็นคนชราเราก็จะได้รับประโยชน์และถ้าเขาเป็นคนดีเราก็จะช่วยส่งเสริมให้เขาได้ทำความดีต่อไปถ้าเป็นพระอริยะเจ้าท่านก็จะได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านก็จะช่วยสืบทอดพระศาสนาด้วยการสั่งสอนอบรมผู้ที่สนใจ ทั้งค า, ารวะและพระภิกษุเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้บรรลุปเป็นพระอริยเจ้าเช่นเดียวกันแต่ถ้าผู้ที่ผู้ที่เราทำบุญถวายให้ทานนั้นไม่มีความรู้เลยเป็นคนที่ยังมีความลุ่มหลงอยู่ก็อาจจะสอนเราไปในทางที่ผิดได้สอนให้เราไปสะดเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุที่จะพาไปสู่ความสุขความเจริญพาไปสู่การหลุดพ้นจากการเยินว่ายตายเกิดได้อย่างนี้ก็จะทำให้เราหลงทางได้อย่างนี้สู้ไม่ฟังดีกว่าเพียงแต่ถวายทานแล้วกลับบ้านฟังแล้วแทนที่จะฉลาดขึ้นกับโง่ลงแต่คนที่มีปัญญาพอสมควรจะสามารถแยกแยะได้ ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะได้ก็น่าสงสารเพราะก็แทนที่จะได้รับแสงสว่างกลับได้รับความมืดเพิ่มขึ้นไปอีกทำให้จิตใจต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆมากขึ้นไปอีกต้องเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นไปอีก นี่คือเรื่องของการถวายทานซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะส่งผลให้เกิดผลมากผลน้อยผลดีผลชั่วต่างๆดังนั้นเวลาที่เราทำบุญถวายทานเราจึงควรที่จะพิจารณาให้รอบครอบทั้งตัวเราเองทั้งผู้ที่รับว่าอยู่ในข่ายที่ จะทำให้เกิดคุณหรืออยู่ในข่ายที่จะทำให้เกิดโทษเกิดโทษของเราส่วนของเราก็คือเราเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองเขาทำบุญการใหญ่โตเราก็อยากจะมีหน้ามีตาทำบุญกับเขาเราก็ไปเลี่ยายชาวบ้านไปรบกวนคนอื่นพิมพ์ซองแล้วก็แจกคนนั้นแจกคนนี้ให้เขาช่วยร่วมทำบุญอย่างนี้ทำบุญอย่างนี้ไม่ได้บุญ เพราะไม่ได้เป็นเงินของเราไม่ได้เป็นของของเราเราไปขอของคนอื่นเข้ามาทำและดีไม่ดีก็จะทำให้คนเขาเสื่อมศรัทธาเหลื่อหนายว่าโอ้ม า, าศาสนานี่มีแต่ขออย่างเดียวมีแต่เรียรายมีแต่รบกวนไม่เคยคิดช่วยเหลือสังคมไม่เคยคิดช่วยเหลือโลกเลยคนก็จะต่อต้านาศาสนาแทนที่จะมีความเลื่อมใสศรัทธาก็กลับ เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าเช่นพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยเรียรายขอขอเงินขอทองใครเลยและทรงห้ามพระภิกษุไม่ให้ขอเงินไม่ให้เรียรายต่อผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาติหรือผู้ที่ไม่ปราราณาตัวไว้ก่อนคือไม่ได้กล่าวคำรารถนาว่ายินดีที่จะรับใช้ ยินดีที่จะทำบุญเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระภิกษุนั้นเสียเวลากับการการหาเงินหาทองกับการสร้างวัดกับอะไรต่างๆท่านต้องการให้พระนั้นทุ่มเทไปกับการศึกษาริ่าเรียนและปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีกุติอยู่ก็ไม่ต้องไปเรียร้อยสร้าง สามารถอยู่ได้ตามขดตามโคนไม้ตามเงื้อผาตามถ้ำอยู่ไปตามมีตามเกิดไม่มีจีวรก็ไม่ต้องไปขอให้ไปหาเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะทิ้งไว้ในป่าชา้าเก็บมาปะมาเย็บมาต่อแล้วนำมาย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ต้ม ใช้แก่นไม้นำมาต้มย้อมเป็นสีคือให้อยู่แบบตามมีตามเกิดจริงๆไม่ให้ขอโดยเด็ดขาดอยู่ไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างนี้แหละจึงจะทำให้เกิดมีศรัทธาเพราะเมื่อรู้ว่าพระเหล่านี้เป็นพระจริงๆเป็นพระที่ไม่โลภไม่หลงไม่อยากไม่จริงๆคนก็เกิดศรัทธาเอง ต่อมาก็มีคนถวายภาพเป็นพภาพให้กับพระภิกษุสร้างวัดถวายให้กับพระพุทธเจ้าโดยที่พระพุทธเจ้าไม่เคยเอ่ยปากเลยแม้แต่เพียงคําเดียวว่าอยากจะได้ที่พักอยากจะได้วัดพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียวมีแต่สร้างพระอาหารหันตะ์เป็นจํานวนหมืน่นเป็นจํานวนแสนนี่คือนี่คือเรื่องของพระอริยเจ้า ของพระแท้เป็นอย่างนี้ท่านไม่ไปเรียรายท่านไม่ไปสนใจกับการสร้างวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆท่านสนใจแต่สร้างจิตใจของสัตว์โลกให้กลายเป็นพระอริยเจ้าให้กลายเป็นพระอรหันต์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นศา ส, สนาจึงจเจริญรุ่งเรือง ม, มาได้ในสมัยพุทธกาล สมัยนั้นเป็นสมัยที่เจริญรุง่งเรืองที่สุดเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นศาสดาเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างใครๆเห็นก็มีแต่ความเลื่อบใสมีคนออกบวชกันมากและปฏิบัติกันมากและหลุดพ้นกันมากบรรลุเป็นพระอรหันต์กันมากแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปารมิพ่านไปแล้วตั้งแต่วันนั้นมาศาสนาก็เริ่มนับถอยหลัง เริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆจานวนพระอาหารหันต์มีน้อยลงไปเรื่อยๆจานวนพระที่ปฏิบัติอยู่แบบนักน้อยสันโดษก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้แทบจะหาพระอาหารหันต์ไม่มีเลยมีแต่พระที่เลี่ยายพระที่สร้างวัตถุต่างๆพระที่ทำพิธีกรรมต่างๆพระหมอดูพระอะไรต่างๆมากมาย แต่คำว่าพระอรหันต์ที่เป็นแก่นของศาสนานี้แทบจะหาไม่ได้เลยพระอริยเจ้านี้หาไม่ค่อยได้เลยพอใครพูดว่าเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องแสลงใจไปคิดว่าเป็นเรื่องการอุตริไปทั้ง ท, งที่ท่านนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์จริงๆก็มีอยู่ แต่ก็ไม่สำคัญเรื่องจะประกาศตนหรือไม่ประกาศตนสำคัญอยู่ที่ว่าท่านเป็นหรือเปล่าถ้าท่านเป็นท่านประกาศก็ได้ไม่ประกาศก็ได้ไม่เสียหายตรงไห น, นแต่ผู้ที่ไม่เป็นแล้วไปประกาศนี่แหละจะเสียหายมากกว่าเพราะจะเป็นการอุตริในหลักพระวินัยก็ถือว่าขาดความเป็นพระไปแล้วเป็นเป็นประราชิกหนึ่งใน หนึ่งในกฎที่จะทำให้พระขาดความเป็นพระไปมีอยู่สี่ข้อด้วยกันหนึ่งในสี่ข้อนี้ก็คือการอุตริอวดธรรมอันวิเศษที่ไม่มีในตนแต่เนื่องจากสมัยนี้เป็นสมัยที่มีพระอรหันต์ปรากฏน้อยดังนั้นเวลาที่มีพระอรหันต์ส่วนใหญ่ท่านมักจะไม่ประกาศกัน พราะท่านกลวจะถูกเขากล่าวหาอุตริว่าเป็นปลาราชีคขึ้นมาได้แต่ท่านจะแสดงธรรมในระดับในระดับของพระอาราหันต์และผู้ที่ไปศึกษาและปฏิบัติจากท่านเมื่อนําไปปฏิบัติจนตนเองได้บรรลุเป็นพระอาราหันต์ขึ้นมาก็จะรู้อยู่แก่ใจของตนว่าอาจารย์หรือผู้ที่สอนเรานี้ท่านรู้จริงๆ ถ้าไม่รู้จริงท่านจะไม่สามารถสอนให้เราบรรลุได้นี่คือวิธีที่เราจะรู้ได้ก็คือเราต้องเป็นผู้พิสูจน์เองเราต้องไปศึกษาเรื่มเรียนกับพระหรือกับอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งแล้วปฏิบัติตามคำสอนของท่านถ้าเราสามารถปฏิบัติจนเราบรรลุได้เราก็จะรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่บรรลุได้หรืออยากจะรู้ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดบรรลุหรือไม่บรรลุ ตัวเราเองก็ต้องเป็นผู้ที่บรรลุก่อนแล้วเราไปสนทนาธรรมกันเราก็จะรู้ว่าบุคคลนั้นอยู่ยในธรรมระดับไหนถ้าอยู่ในธรรมที่สูงกว่าเราก็ยังไม่รู้เราจะรู้แต่บุคคลที่อยู่ในระดับเท่ากับเราหรือต่ำกว่าเราเช่นเหมือนคนที่จบชั้นมัธยมก็จะรู้ว่าคนที่เรียนจบมัธยมนี้รู้มากน้อยเพียงไร แต่จะไม่รู้ว่าคนที่จบระดับปริญญาตรีว่ารู้มากเพียงไรเพราะคนที่จบชั้นมัธยมยังไม่ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีนั่นเองฉันใดผู้ที่บรรลุทำขั้นโสดาบันก็จะรู้เพียงระดับโสดาบันผู้ที่สูงกว่าตนนั้นตนจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ในระดับใดแต่ถ้าเป็นพาาระาอรหันต์แล้วคุยกับใครก็จะรู้ว่าคนนั้นอยู่ในระดับใด พราะท่านได้ไปถึงระดับที่สูงสุดแล้วนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของบุคคลเรื่องของอริยะเจ้าเรื่องของการถวายทานก็พูดมาเพื่อให้ได้มีความรู้นำเอาไปประกอบกับ ก, บการดำเนินชีวิตดำเนินการทางด้านศาสนาถ้าไม่พูดไม่สอนเลยก็จะไม่รู้เรื่องกันแล้วก็จะสับสนกัน ถ้ารู้แล้วจะได้แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงขอฝากเรื่องของการถวายสังฆทานนี้ให้ท่านได้นำไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุศลผลบุญที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้